เทศอบรมพระวันที่สิบสองธันวาคมสองพันร้อยยี่สิบสองเทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้พูดเรื่องการบวชเป็นของยากเป็นทุกข์มากเพราะต้องบังคับตัวเองให้ต่อสู้กับข้าศึกคือกิเลสน่าฟังตลอดกัน หน้าบีถึงตอนท้ายก็พูดถึงการนั่งตลอดรุ่งราวยี่สิบนาทีการบวชท่านกล่าวไว้ว่าบวชได้ยากบวชแล้วการปฏิพฤตตามธรรมวินัยก็เป็นของยาก การจะดำเนินทางด้านจิตใจของนัก บ, บวชเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ากว่าเป็นของยากทำไมจึงเป็นของยากเพราะกิเลสไม่ใช่ของง่ายได้กิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากการประเวตปฏิบัติเพื่อถอดถอน หรือต่อสู้กับกิเลสจึงเป็นของยากทุกๆประโยคน์ไปความเป็นนักบวชก็ ค, ค, คือความเป็นนักรบเป็นนักต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกอยากจิตใจของตนไม่ว่าจะเป็นครั้งใดๆก็ต่างหลักความจริงมีมาอย่างนั้นนิเลสไม่เคยมีความอ่อนแอทอถอย พอที่เราจะชำระมันได้อย่างง่ายได้ยิ่เรศมีความเข้มแข็งมีความแหลมคมมากจึงได้ครองหัวใจสัตว์โลกถึงเรามุ่งหน้ามาบวชในพระพุทธศาสนากว่าจะได้บวช ก, ก็เป็นของยากบวชแล้วที่จะ รักษาเกี่ยวกบบทินายซึ่งเป็นการขัดต่อนิจัยเดิมอันเป็นนิสัยของกิเลสก็ต้องเป็นของยากเพราะต้องต่อสู้กันธรรมะระวังรักษากายวาจาใ จ, ใ จ, ใจของตนที่เคลื่อนไหวไปมาเพราะเหตุผลกลไกอะไรก็ตามมักมีกิเลสแทรกอยู่เสมอภายในอาการ ของปิตอาการของกายที่แสดงออกมาเมื่อเป็นเช่นนี้การ ป, รปฏิบัติยึงเป็นของยากโลกกิไม่รู้พิกภัยของกิเลสหรือไม่รู้เรื่องของกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจและยอมจำนวนต่อสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้สึกตัว จึงประพฤติปฏิบัติกันยากท้อถอยอ่อนแอต่อการที่จะบึกบืนหรือตะเกียกตะกายการแก้ไขตลอดถึงเพื่อความหลุดพ้นนี่เราทราบกันได้ทุกองเพราะได้เริ่มปฏิบัติมาด้วยกันระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียว แก้ไขกันยากไหมฝึกฝนอบรมตนก็คือการต่อสู้กับพิเรศซึ่งมันเสี้ยมสอนจิตใจให้เชื่ออย่างฝังจมไปตามมันมาเวลานา น, านจึงเป็นของยากลำบากทิ้งการที่จะ อุศาพยายามประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจอย่าบวกว่าจากกิเลสไปแต่ละขั้นละตอนนี้ก็ต้องเป็นของยากไปโดยลําดับลาดับเพราะกิเลสไม่ว่าประเภทใดต้องเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเกาะ อ, อยู่กับจิตไม่ยอมปล่อยวางออกง่ายๆถ้าอุบายวิธีและการปราบปรามมีกําลังไม่พอแล้วก็ต้องยอมแพ้โดยไม่ ต้องสงสัยาาการว่ักการบวชก็ยากบวชแล้วการประพฤติพรพรมอาจารย์เป็นไปตามหลักวิขาบทชวิไนก็ยากการจะเกียรตการที่จะจะเกียกตะกายตนให้หลุดพ้นไปตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้ก่อนที่จะให้หลุดพ้นไปได้ก็ต้องต่อสู้กับพิเดษอย่างเต็มสตติกำลังความสามารถ ซึ่งก็พ้นจากความยากลำบากไปไม่ได้เหมือนกันรวมแล้วยากด้วยกันทั้งนั้นแต่การยากของผู้เชื่อหลักตามหลักธรรมยินงยของพระพธธุทธเจา้าก็ไม่สุดบีใสก็ท่านผู้ผ่านไปแล้วได้ชัยชนะ เพราะการปราบกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเกาะอยู่ภายใจิตยอย่างแนบสนิทท่านก็เคยได้บำเพ็ญฤกษ์เคยฝึกพ้นทรมานและชำละศาสางปราบปรามมันลงไปอย่างรากพะหิงประจักษ์กับพยานของเราเช่นอง์ศาสดาที่เป็นครูของโลกทั้งสามเป็นตัวอย่างไม่ว่ากิเลสประเภทใดเกาะอยูงง่ในหัวใจใด ต่ต้องมีความเหนียวแน่นมั่นคงมีความฉลาดแหลมคมเกินกว่าจิตจะรู้ได้ว่าผิดหรือถูกว่าเป็นโทษเป็นคุณถ้าไม่ใชธทรมีสติและปัญญาทมเป็นต้นนำเขาพิสูจน์ทดสอบกันดูซึ่งท่านก็พาดำเนินมาแล้วเหมือนกันวิธีการอย่างนี้ ท่านจะทำจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิก็ยากไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อพยายามตามหลักธรรมแล้วก็ไม่ยากเพราะความต้องการความอยากความหวังหรือความมุ่งมั่นมีอยู่ภายในหัวใจแล้วแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปได้ทุกขั้นทุกภูมิของอัดของทำและทุกประเภทของกิเลส ไม่นอกเหนือจากสติปัญญาศัตทาความเพียรซึ่งเป็นอาวุธอันสำคัญนี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามเพ่อแวกว่ายตนและออกจากวัตตะวนหรือหมุนไปเวียนมาด้วยการเกิดแก่เก็บตายซึ่งล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกองทุกข์โรยไปตามระยะทางไม่ขาดวักขาดตอนเหมือนเขา โดยข้อต่ อ, อนนเหนี่ยเรื่องทุกข์ที่มันติดซอยห้อยตามไปตามค่าความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บมรณละของตายเป็นเช่นนั้นและการฝึกฝนอบรมการทรมานไม่มีการฝึกฝนทรมานอันใดที่จะยากยิ่งกว่าการฝึกฝนทรมานมนุษย์ คือเราแต่ละรายละรายไปพระพุทธเจ้าขอทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งจะ่ให้นามตามขั้นมนุษย์ตามศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็ให้นามว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ถึงเป็นกษัตริย์สัตว์ก็ไปจากคนจากมนุษย์เดาี่เลศมันไม่เลยนิยมว่าเป็นคนขั้นไหน มันคงเป็นกิเลสและเหยียบย่ําทําลายอยู่ในหัวใจของคนและสัตว์ทุกประเภททุกชั้นทุกผู้ทุกชาตุชั้นวันมะไปเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ยากไม่ลําบากอย่างไรการที่จะปุบเปลื้องกิเลสือสลัดกิเลสซึ่งเคยเกาะอยู่บนหัวใจให้ออกแล้วมันเคยเกาะมานานเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะนับอ่านได้ทั้งเบื้องตนเบื้องกายแห่งความเป็นมาของตนของตน เพราะมันดืดยาวแสนดืดยาวทุกข์เป็นสายยาวเหยียดมาด้วยกันกับชาติความเกิดตลาความแก่พยาที่ควมเจ็บไข้ได้ป่วยต ล, ลอดถึงความตายเรื่องของทุกข์ก็ติดสอยห้ยตามกันมาไม่อาจที่จะกำหนดได้ว่าเป็นทุกข์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ เคยเกิดเคยตายมานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนั้นยังถูกกิเลสครอบนำความเป็นมาจิตซึ่งเป็นผู้เป็นมาให้หลงลืมไปหมดในความเป็นมาของตอนมีความทุกข์ความลาบากยากจนถึงใจประการใดเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับให้รับความทุกข์ความทาราณ มันก็ปิดไว้อย่างนิดชิดอีกเหมือนกันนะฮะเราทราบได้ถ้าคุณเราแต่และรายละรายทราบวิธีความเป็นมาของตนมีเรื่องการท่องเที่ย ว, วยจะเกบความเกิดที่นั่นตายที่นี่เป็นต้นเพียงเท่านั้นก็จะกระจายไปถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งหลายที่ตนได้เคยประสบ เคยรู้เคยเห็นมาเพราะเกิดขึ้นกับตน พ, พอจะมีกำลังจากจิตใจที่จะอุตสาพยายามแบวกว่าตนให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งวัฏวลนอันนี้ไปได้ไ่ถึงเราไม่ทราบพอตามผู้ที่เป็นสักขีพยานของเราก็คือองค์สาธเจดาทาที่ทรงประกาศสอนไว้ก็คือออกมาจากองค์ ศา ส, สดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นตามความจริงทุกอย่างแล้วว่าจั์ทั้งหลายมีเยนว่ายตายเกิดอยู่ในวัดตตงศารไม่มีประมาณไม่นอกเหนือไปจากวัดตวลนนี้ได้เลยบรรดาสัตว์ที่มีกิเลสจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันสิ่งตายตัวที่จะพาให้สัตว์เกิดและตายตลอดทังในะความทุกข์ความลาบากต่างๆก็ เรื่องอริยชากิเลสประเภทละเอียดเป็นมาโดยลําดับลบาําดาเราถือองศ า, ศาสดาและาศาสนธรรมท่านที่ตรัสไว้นั้นมาเป็นสักิพยานตาเราไม่สามารถมองเห็นเรื่องความเป็นมาของเราหูใจเราไม่สามารถที่จะรู้เรื่องรู้ราวคับเป็นมาของตนก็ พึงเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหูมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ประดับใจหรือเครื่องสองทางจิตใจของเราอย่างลงในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนมาแล้วอย่างไรนั้นเรื่องเกิดก็ไม่สงสัยเพราะเป็นความจปินโดยแท้แก่เจ็บตายแล้วเกิดในภพน้อยภพใหญ่เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นจัตติ์เป็นบุคคลเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเทวดาอิมพอง นั่นก็อยู่ในโรงแห่งวัฏจักรขานอกเหนือจากธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนี้แสดงให้เราทั้งหลายฟังไปไม่ได้ความจริงก็อยู่ที่ธรรมที่ทรงสแสดงไว้แล้วนี้เรียกว่าส่วขาตัธรรมหายุดนี้มาเป็นเครื่องสองทางมาเป็นจักรยพยานมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ความฉลาดของเราเป็นหลักดําเนิน มืตั้งแต่ที่เราจะชำระสิ่งที่มันมีอยู่ทั้งๆ ท, ที่มันปิดบังไม่ให้รู้เรื่องอดีตเป็นมาเท่าไหร่ก็ตามมันก็มีอยู่นี้สิ่งที่มันปิดบงังมามาแล้วก็ดีปิดบงังในปัจจุบันไม่ให้สามารถทุกขะมองเห็นเรื่องอนาคตจะเป็นไปอย่างไรได้ก็คือตัวมืดมิดปิดตาเนี่ยมันปิดอยู่ที่หัวใจเราเวลานี่คืงว่าวิชาคือความมืดบอดนั่นเอง รู้กับรูปแบบกวิชาเห็นแบบอวิชาอะไรก็อะไรเป็นแบบของมันทั้งหมดไม่เป็นแบบธรรมขอาพระพุทธเจ้าพอที่จะให้เกิดความสว่างข้าจางแ จ, จ้งแจดจิตใจของตอ น, อนเลยฉันจึงลําบากวทเหตุนี้จึงต้องยึดเอาหลักธรรมนี้มาเป็นสักจคพยาณมาเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตายไว้กับจิตใจพยายามตะเกียก์ตะกายไปตามนี้ทุกข์ก็ช่ า, าง ทุกด้วยความภาพเพียงเพื่อถอดถอนเชีื่อนน้ำออกจากจิตใจของตนพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแินแดนแล้วว่าพระองค์ทรมานพระพองค์ฝึกฝนพระพองค์ยากลาบากเพียงไรที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าการฝึกฝนพรมานหรืออบรมอะไรก็าตามไม่มีอะไรยากยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมหรือทรมานมนุษย์ พริเลสมันพาให้ยากกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากยากที่จะถอดถอนยากที่จะตัดจะฟันหรือปราบตามให้มันหมดสิ้นไปไดจากกิตใจจึงต้องได้ใช้กำลังเต็มความสามารถเพียงขั้นสมาธิเท่นั้นเราก็ต้องใช้กำลังให้เหมาะสมกับสมาธิจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการอใดหรือความเพียรประเภทใด กำลังของตงนมีมากเพียงไรวันนี้ทําสมาธิไม่เกิดเพราะกําลังไม่พอกําลังสติก็ไม่พอกําลังความเพียรก็ไม่พอจิตใจมีความอดเพระแท้อ่อนแอความสงบของใจก็เกิดไม่ได้เพิ่มกําลังใหม่พลิกแพงเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องคิดกันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าปัญญาเอาจนสงบได้ทําไมจะสงบไม่ได้ ทำท่านสอนเพื่อความสงบทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อความพุ่งสรํางกำคาดสอนเพื่อความสายแสไปตามกระแสะของโลกขอ ง, งสงศารนั่นเป็นเรื่องของกิเลสถ้าให้เป็นไปสังหากไม่ใช่ธรรมกิตใจที่เป็นไปตามกระแสะของโลกอยู่โดยลําดับําดาโดยไม่มีสติเป็นเครื่องขันกลางหองห้ามหรือรับทราบกันบ้างเลยนั้นมันไม่ใช่เป็นการบําเพ็ญธรรมมันเป็นการ เสียค า, า, านตามที่เสียคานตามที่เหล็กที่มันถูดลากไปตางหาเราควรจะทราบในแง่นี้เอาไว้เลยรู้สึกตัวแล้วเข้มแข็งทางความความเท่าเทียมอีกก็จิบมีอันนี้ได้มีความสงบนี่นี่ก็ยากตอนหนึ่งนี่แหละเราฝึกมนุษย์ดูเอายกตัวอย่างเอาพระพุทธเจ้าพระสาวกมาเป็นตัวอย่างท่านฝึกท่านยากลาบากขนาดไหนที่เราจะฝึกให้ง่ายยิ่งกว่าท่าน จะเก่งกว่าครูไปเพราะเหตุไม่เหมือนครูเหตุไ็่มีความหนักแน่นมั่นคงเหมือนครูแล้วจะให้กิเลสดุรลายไปเร็วยิ่งกว่าครูเก่งยิ่งกว่าครูมันเป็นไปไม่ได้เราเดินตามครูลำบากก็เราก็ทราบแล้วในพระประวัติของพระองค์ลำบากแค่ไหนภาษาวกบางองค์ลำบากแค่ไหนส่วนมากมีลำบากกันทั้งนั้นเพราะกิเลสไม่เคยทําความง่ายได้ให้แก็บ คนผู้กับพฤติธรรมนอกจากมันจะขัดขวางอยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่าผ้าศึกของที่ของธรรมคืออะไรคือกิเลสนั่นเองเมื่อพยายามทำจิตให้สงบวันนี้ไม่ได้ก็ให้ทราบว่าความบกพร่องกำลังของเจ้าของไม่เพียงพอสติไม่พอสติตั้งไว้กับงานที่ตนทาขาดวักขาดตอ่อจึงทำให้จิตอีก ถูกกิเลสถูดลากไปตามกระแสของมันหาความสงบไม่ได้นั่งก็นั่งเฉยๆเมือนหัวต่อแต่กิเลสร่อนไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหมดนี่เรียกว่ากำลังสติไม่พอความเผลอตัวมีมากแล้วเรงเ่งใหม่คลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่เอาจะมีความสงบได้จริงชื่อว่า ทำหรือบำเพ็ญทำให้เหนือกิเลสถ้าอ่อนกว่ากิเลสแล้วก็ไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมกิเลสก็ไม่ยอมจึงต้องให้เหนือกิเลสความพุ้งสร้างเป็นกิเลสประเภทหนึ่งการที่จะฝืนจิตใจหรือฝุ่นอบรมจิตใจซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสให้เป็นความสงบภายในตัวเองขณะภาวนาก็ต้อง ทุ่มเทกำลังลงให้เนื้อกิเลสอยู่ความพุ่งสั่นอันนั้นจิตก็จะ ส, ะสงบได้ไม่เหลือวิสัยไปได้เลยพูดถึงขั้นปัญญาเหมือนกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าไม่หยุดไม่ถอยคลี่คลายดูสิ่งที่มีอยู่ภายในตนที่ท่านเรียกว่าความจริงกายจกาตาสติเนี่ยายสติวัชานสีส่ท่ากายเวทนาจิตธรรม หรืออริยสัจสี่มัก็เหมือนกันอยู่ในกายในจิตนี้เหมือนกันพิจารณาตรงไหนให้มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปกับงานอย่างการพิจารณาด่าลดละสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวสติขาดว่าขาดตอนตรงไหนตรงไหนนั่นแรงานขาดว่าขาดตอนตรงนั้น ผล ท, ที่ควรจะสืบเนื่องต่ก็ต้องขาดวัคขาดตอนตามเหตุที่ขาดไปมีควรจะสำนึกใจเสมอผู้ปฏิบัติอย่าให้วันนี้กับวันนั่นก็เหมือนกันวันผ่านมาแล้วกับวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้วันพรุ่งนี้ปีนี้ปีห น, น้าก็เหมือนกันคือเลี้ยวไหลอยู่เหมือนกันหมดไม่มีวันไหนเป็นวันดีเพราะตัวเองไม่มีวันดีสู้ขเกียม่ไ้ตลอดไปแล้วเราก็ไม่ดีตลอดไป หาสลระของตนซึ่งเป็นที่พอจะภาคภูมิใจก็ไม่ได้เพราะความเพียรที่จะทําให้ปรากฏสิ่งที่ภาคภูมิใจขึ้นภายในจิตใจไม่เหนพอที่จะยังผลอันเป็นทีู่มิใจเกิดขึ้นได้ต้องพยายามคําว่าสมาธิก็อย่าพึงไปคาดไปหมายว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้หลักสําคัญก็ คืองานของเราที่ทําเพื่อความสงบนั้นเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องรับรองที่จะให้เกิดความสงบจนกลายเป็นสมาธิที่ ค, ความแน่นหนามมั่นคงขึ้นที่ใจไม่ใช่สิ่งอื่นใ ด, ดการคาดกันหมายไม่เกิดประโยชน์จะไปคาดหมายให้เสียเว ล, เวลานี้รับกล่าประโยชน์กําหนดทําบทใดเช่นกาหนดอนาปานสติก็ให้รู้อยู่ที่ลง เป็นกับตายก็ให้รู้อยู่ที่นั่นเดี๋ยให้เผลอและสุดท้ายความรู้ทั้งทั้งมวลก็รวมกระแสตัวเข้ามาสู่จุดเดียวมีลมหายใจเป็นหลักเป็นที่นี้ลมก็ต้องละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งหายเงียบเลยก็มีแต่ไม่ตายนี่เคยเป็นมาแล้วถึงพูดได้ไม่เคยเป็นพูดไม่ถูกอะ ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเจนไปถึงขั้นลมหายใจหายเงียบไปเลยมันมีมิตตกอันหนึ่งนะมาเป็นค่าสิทธในระยะนั้นอ๋นี่ลมหายใจหมดไปแล้วจะไม่ตายหรือนั่นกระตกเจ้าของให้เสียหลักแล้วผมคว้าหาลมหายใจสมัยลมหายใจไม่ต้องคว้าหามันพอถูกกระตกเท่านั้นลมหายใจก็มีขึ้นมาจิตก็มาสู่ความ อย่ตามปกติของจิตเสียผมู้มีปัญญาที่จะรักษาตัวตัวมันต้องมีอุบายที่จะแก้ความเผลอของตัวเองที่คิดเละเนี่ยจากเรละอี่ยมของกิเลสคือความสงสัยกลัวว่าจะตายนั่นแหละมันเป็นเละอี่ยมของกิเลสพึงพทราบเพื่อนขณะนั้นว่าเมื่อความรู้ยังครองล่างอยู่นี้แล้วอย่างไรก็ไม่ตาด อารมณ์หยายใจจะหมดก็หมดไปเถอะถ้าคลุมความรู้นี้ยังมีอยู่ในร่างนี้แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านั้นก็พุ่งทะลุไปเลยหายเงียบไปนั่นนี่อุบายวิธีแก้เราต้องคิดค้นขึ้นมา่ายในตัวของเรานั้นนะ่ะเป็นความเหมาะสมที่สุดยิ่งกว่าครูวาจารย์จะหยิบยื่นให้ซึ่งสุดท้ายก็หุดไม้หลุดมือไปหมดเสียเหมือนเจ้าของคิดขึ้นมาโดยละมังตัวเองและประจักษ์กับใจตัวเอง ทั้งได้ผลเป็นที่พึงพอใจจากอุบายนั้นด้วยนั่นเป็นสมบัติของตนจากภาคปฏิบัติการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันยาศักด์แต่ว่าพิจารณาให้เป็นเพียงอาการหรือเป็นพิถีพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงกับอาการนั้นๆจริงๆด้วยความมี <c oughs> สติสืบต่อเนื่องกันไปโดยลําดับแต่แยกแต่แยกอาการใดก็ให้มีความรู้กับ อาการนั้นเท่านั้นสองอย่างให้รู้กันอยู่เพียนเท่านั้นเหมือนกับโลกนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้กับอาการที่กําลังพิจารณาอยู่นั้นสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่สองอย่างเท่านั้นแล้วมันจะกระจายไปหมดความรู้อันนี้แต่สว่างกระจ่างแจ้งชื่นทราบไปทั่วอวัยวะส่วนอื่นๆที่เราไม่มีพิจารณาก็เข้าใจตลอดตัวถึงเพราะเป็นเหมือนๆกันบาง ครั้งอีกก็สร้านไปเองไปเที่ยวรู้รอบขอบคิดไปหมดมันเหมือนกับกระดาษซึมมันซึมซาบไปซึมซาบไปเพราะความซึงภายในจิตใจว่าอันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างเป็นของปะฏิกูลหรือเป็นทุกข์ก็ดีหรือเป็นอาัตตาก็ดีมันซึ้งถึงใจแล้วกําหนดไปทางไหนจิตมันสร้างไปไหนมันก็ซึ้งไปตามๆกันหมดเพราะสิ่งเหล่า น, นี้มันเหมือนกันนี่ วายปัญญาไม่ไม่พอผิดขึ้นมาหาอบายคิดตั้งหน้าตั้งตาคิดตั้งหน้าตั้งตาพินิพิจนาตั้งหน้าตั้งตาสังเกตด้วยความสนใจเต็มไปด้วยเจตนาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอยากจะรู้จะเห็นความจริงที่มีอยู่นี้สติต้องติดแนบเสมอไม่ว่าขั้นจะมาทิหรือขั้นปัญญาสติมีความจาเป็นตลอดแต่เว้นขั้นใดขั้นหนึ่ง สติก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้การดําเนินด้วยความมีสติเป็นสิ่งที่ให้รวดเร็วสติเป็นธรรมสาคัญมากอเดีย่างหนึ่งสำคัสมาธิสำขันปัญญาจนกระทั่งถึงสติปัญญากรมคืนเป็นอันเดียวกันนัน่นแหละที่นี่แต่ว่าสติก็น่าจะว่าปัญญาก็ถูกพอกระเพื่อมพับก็รู้ทันทีปัญญาวิ่งทันทีสองดูเหตุดูผลที่มันสัมผัสสัมพันธ์กัน สุดท้ายกนี่จะเกิดกั้ดับเกยกขั้ดับเนี่ยการฝึกการทรมานตนก็หมายถึงการฝึกกา ร, รการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆภาษาธรรมะทันเรียกว่ากิเลสคือความเศร้าหมองมืดตื่ออยู่ภายใ น, ในใจิตใจเป็นส่วนใหญ่แล้วความมือดอันนั้นแหละมันกระจายมาทางคิดยามายาทาให้ผิดพลาดพรา แง้ที่สุดมาบำเพ็ญธรรมมันก็ทำให้มืดไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่ทําท่านแสดงไว้แล้วนั้นเลยเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกขณะของจิตเผลอตัวเมื่ อ, อไรกิเลสเป็นได้ทีที่นั้นทาให้เผลอมันก็ไม่ทาไม่ทำหรอกทำมันมีอมนาจมากกว่ามันก็ยังฉุดลากเข้าไปต่อหน้าต่อตา เราต้องผิดสติปัญญาถ้ามีกำลังกล้าสามารถขึ้นไปจนเอามันให้อยู่ในเนื้อมือจนได้นอุบายวิธีฝึกเรียกว่ายา่าการฝึกฝนทรมานมนุษย์หนียากเราแต่ละคนกคนเป็นมนุษย์นู่นมาจากพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์ท่านฝึกฝนอารมณ์ท่านย า, ากง่ายขนาดไหนท่านยังไม่ลดละถอยหลัง เราเอาจนได้ภาชนะมาเราเป็นลูกศิษศาสนเราจะเอาความประเสริฐเลือล่อนโลกเพราะความท้อแท้อ่อนแอความขี้เกียจมาง่ายความอ่อนกำลังเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นความเข้มแข็งในการประปฏิบัติเห็นสัจธรรมที่ท่านประกาศตางบานอยู่แล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วนำทำว่าสัจธรรมนั้น เข้ามาดูความจริงของสัจธรรมคือคําว่าสัจธรรมนั้นเป็นชื่อที่ถเขียนไว้ตามตำหนักตำนาที่เราทั้งหลายได้เรียนท่องบุญสังวัทยายนั่นเป็นชื่อเป็นความจําให้น้อมเข้ามาสู่ตัวจริงของสัจธรรมอันแท้จริงนี้คืออะไรสติปัฏฐานสี่อันเป็นความจริงแท้คืออะไรอยู่ที่ไหนากายก็ร่างกายของเราทุกส่วนก็เป็นกายยักตาสติหีืเป็นกาย ยานุปัฏนาสติปัฏฐานเวทนาเหมือนการจุกจุกเฉยเฉยก็เป็นเวทนาสติปัฏฐานนะจิตความคิดปรุงต่างๆในเรื่องราต่างๆก็เป็นจิตานุปัสนาตามรู้ตามเห็นความคิดความปรุงของตกอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นต่อสาย กับเรื่องราวอะไรที่เรียกว่าธรรมารมาลงนั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาก็อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยว่าทุกทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีก็คือทุกขสัตว์หมายถึงว่าเป็นความกินอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเวลามีก็มามีอยู่ที่กายที่ใจของเหล่านี้คําว่าทุกก็ดีทุกทั้งทางกายทั้งทางใจก็มีอยู่ที่นี้ สมุไทยก็มีอยู่ที่ใจชื่ออยู่ที่ตำลาท่านชี้เข้ามาหาใจาเราต้องมาค้นดูที่ใจของเรานี้เราถึงจะเห็นสมุไทยถึงจะรู้เรื่องของสมุไทยท่างกล่าวไว้ย่อๆะ ว, ะว่ากาตันหาภาตันหาวิภวตันหาคาว่าตันหาคือคือความบกพร่องคือความอยากกวนเจ้าของอยู่ตลอดเวลา อยากไม่หยุดไม่ถอยอยากไม่มีวันอิ่มพอด้วยอำนาจของกิเลสนะ่ะท่านเรียกว่าตัณหามันรบวน m, อยู่ซําโดยสม่ําเสมอไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนตั้งแต่เล็ก็นโตจนเท่าจนแก่จนตายมันกวนของที่นั่นที่นี่ว่าตัณหามันมีเคยมีความสงบตัวเมื่ อ, อไรสักทีทำอให้ทําให้มันสงบแต่ว่าตัณหาเาอยากมีอยา ก, ยากเป็น อยากทตลอดเวลาสามอย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันีเพราะว่าตัณหาตะพูดทางภาคปฏิบัติแล้วมันอยากในของไม่มีนั่นเองอเกิดแล้วให้ตายมันมีได้ที่ไหนสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วมาพัดภาดจากไปมันมีได้ที่ไหนมันต้องพัดพาดจากไปเกิดแล้วมันต้องตายแต่ีเพราะว่าตัณหานี่มันไปอยากในสิ่งเป็นไปไม่ได้ ในสิ่งที่เป็นอาถานะณคือเป็นไปไม่ได้ น, นั่นแหละเรียกว่าวิภาวะตัญหาอยากในของไม่มีแล้วเท่าไรมันก็ไม่อิ่มไม่พออยากเหมือนกันอยากในของมีอยู่เ่กเพราวะว่าตัญหามันก็เป็นตัญหาไม่มีความอิ่มพอเหมือนกันนี่ท่านเรียกว่าสมุ ท, ทยัยมันเป็นอยู่ภายใจิตใจของสัตว์โลกหรือของพวกเราทุกๆคนนี่อยู่ตลอดเวลาความใคร่ความอยากความทะยทะยาน มันดิ้นมันปัดมันแป่งอยู่ภายในจิตใจหาความสงบไม่ได้ถ้าเป็นน้ําก็ขุ่นเป็นตมเป็นโชนไปนหมดเพราะถูกกวนด้วยอํนนานาจของกิเรศจิตใจทําไมจะไม่ขุ่นมัวท จ, จะไม่มืดจะไม่เกิดทุกข์จิตใจขุ่นมัว จ, จิตใจมืดเพราะอํนนานาจของยุเรศบีบบังคับผลของมันก็คือความทุกข์ความลำบากคํามบนมากน้อยตามกําลังของยุเรศที่บีบคั้นในระยะนั้นๆนั่นเอง อยู่ที่ตรงนี้การแก้สมุทัยก็การคือการพิจารณาถึงพิจารณากายกับตาสติเป็นต้นพิจารณาด้วยมรคมรคคืออะไรสติเป็นของสำคัญสตินี้เป็นพื้นฐานใช้ไปทุกๆขั้นของงานที่ทำและขั้นของทำ สาซจาก็ติไปไม่ได้เลยสมมาทิที่สัมมาสังกปร น, นั่นแหละคือองค์ปัญญาที่จะมาคลี่คลายดูเรื่องของพิเดศภาคปันหันแลบพิเดก ม, กมันรักมันชอบกับสิ่งใดมันไปหลงกับอะไรหาเศษสรรปั้นแต่งเอามาแข่งทำของพระพิฆาตอยู่าในหัวใจของเรานีพิเลศมันเป็นคู่แข่งกับธรรม ทำมาไม่ให้รักวิเลตมันฝืนไปรักทำทำมาไม่ให้ชังไม่ให้เกลียดให้โกรธวิเลตมันฝืนต่อหน้าต่อตาไปเกลียดไปโกรธอยูไ่ได้ภายในหัวใจเราที่กําลังบําเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจอยู่นั่นแหละนะเนี่ยมันเป็นเครื่องต่อสู้กันอยู่อย่างนี้ชุกระยะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้รู้กลมายาของมันที่ ถ้ายาอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเราด้วยสติเอาเอาให้รู้การครองหรือขี้คลายพักดันมันออกไปหรือฟาดฟันมันออกไปด้วยปัญญาแลก็ใช้สมาธิก่อนพอให้มีช่องทางดำเนินได้นอกจากเป็นกรณีพิเศษที่เราจะใช้ปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันไปจนกระทั่งถึง กิเลสมันหมอบจิตหมอบเป็นสมาธิเป็นมาได้นั่นเป็นกรณีพิเศษดังเขียนไว้แล้วในปัญญาวงสมาธิอันเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยท่านมากคืออะไรลูกเชยยานังเรื่องความรู้สัจธรรมตั้งกี่ลูกเชยยานัง สมุรียาหนังนิโรเทียหนังนิโรธกามีปฏิปดาทะปฏาภรายญาณนังอยังวุจติสัมมาทิฐิท่านว่านั่นการเห็นทุกข์ด้วยความชอบธรรมสมุทยัยเป็นของจริงเป็นลําดับนัร ก, ก็เป็นของจริงนิโรธก็เป็นของจริงด้วยปัญญาอันชึ้งหรืออันละเอียดแหลมคม เารียกว่นั่นแหละคือสมาธิถึกอย่างวิจติสมาธิถึกแต่ว่าความเห็นชอบความเห็นไม่ปิ่นเกรียวกับธรรมไม่ปิ่นเกรียวกับหลักธรรมชาติไม่ปิ่นเกรียวกับหลักธรรมคติธรรมดาที่เป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนนี่แล้วที่การกล่าวทั้งหมดนี้อยู่ที่ไหนบรรจุอยู่ที่หัวใจของเรานี่ทั้ง น, นั้นนี่โรด เป็นกิจยานหนึ่งเท่านั้นเราไม่ไปข น, นขวายกับเรื่องนิโรธนะ่ยการงานไม่ไปเกี่ยวกับนิโรธเลยไปทําเช่นอย่างท่านว่านิโรธควรทำให้แจ้งหรือพึงทำให้แจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะใครจะไปทาหน้าที่ให้นิโรธแจ้งไม่มีเหมือนอย่างทุกข์ก็เพียงกำหนดทราบกันเท่านั้น แต่ให้ทำหน้าที่ละถอนถอดถอ น, ถอนสมุทัยด้วยมากมีสติปัญญาเป็นตําผันนี้เท่านั้นงานที่ทําจริงจิงมีใจเรื่องระหว่างสมุทัยกับมากทาหน้าที่ต่อกันทุกเมื่อผึงทราบท่นานปริยันติเมพิคอยปริญญาตันติเมพิเคยนั้นหมายถึงพระองค์ประกาศท้าทายให้เป็นจกักรคีทั้งห้สาสทราบหรือให้ เป็นเยาวทีทั้าห้าฝั่งทุกที่ควรกาหนดรู้เรากําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละละได้แล้วนิโรธควรทําให้แจ้งเราได้ทําให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีแล้วได้บำเพ็ใ ห, เให้เกิดมีเต็มสมบูรณ์แล้วการจะทํานิโรธให้แจ้งก็หมายถึงเรื่องของมรรคโดยตรงผลิตสติปัญญาขึ้นมาทุกระยะจนมี กำลังแก่กล้าสามารถแล้วก็จะทําให้แจ้งซึ่งทั้งทั้ ง, งเรื่องธรรมทั้งเรื่องกิเลสแจ้งไปด้วยกันนี่นีโรอดการทำให้แจ้งคือความดับทุกการดับทุกไม่ดับสมุทยัยทุกดับได้ยงไงนั่นต้องรู้แจ้งเห็นจริงในสมุทยัยละสมุทัยได้ด้วยความเข้าใจทราบซึ้งทางด้านปัญญาจะไปละเฉยเฉยก็ไม่นานนี่แหละงานอันชิ้นสําคัญ ก็คือระหว่างสมุทัยกับมรทํางานต่อกันนี่แหละกระจายไปถึงเรื่องทุกข์ด้วยเรื่องนิโรธ ด, ด้วยซึ่งเป็นผลด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งเมองต้นมึงปลายมองต้นคือทุกข์เป็นผลเกิดจากกิเลสคือสมุทัยที่เรียกว่าสมุทัยสมุทัยนิโรธ ด, ดับเพราะอํานาจของมรปราบกิเลสให้ดับไปความทุกข์จะไม่มีทางเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นเลยเว้นเป็นสขานที่ เป็นธรรมชาติทั้งมันแม้พระพุทธเจ้าก็ส่งมือภาษาเราก็มีเหมือนกันเร่งธาตุเรื่องขันมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่ใช่ตัวกิเลสเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ดับเขาเค้ากิเลดดับไปทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสผิดขึ้นมานั้นดับไปแต่ทุกในขันไม่ดับมันดับเกิดเท่ามันก็เกิดมันดับเท่ามันก็ดับถ้าหากว่าจะแยกออกมาเป็นสมุทัยของธาตุกาแยกได้แต่มันไม่เห็นเรื่องกรรม เป็นสิงจําเป็นเช่นเราฉันอะไรรับทานอะไรไปสแสดงต่อธาตุขันธ์ของเรามันเกิดความพุ่งขึ้นมาเช่นถ่ายท้องเพราะอาหารประเภทนั้นประเภทนั้นนี่อาหารประเภทนั้นเป็นสมูทไทยคือเป็นเหตุให้เราถ่ายท้องเกิดความพุกขึ้นมาแต่นี้มันไม่ใช่กิเลสท่านจึงไม่ได้มาเกี่ยวข้องส่วนที่เป็นกิเลสอันเป็นสิ่งสาคัญซึ่งมีอยู่ภายในจิตแสดงกิยาอาการออกมาจากจิตนั้นท่านเรียกสมูทไทยเพือสแสดงออกมาในฝ่ายผูกพัน์ ให้ติดอยู่แล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความผูกพันและความติดอยู่นั้นท่านจะให้แก้ด้วยมรคคือปัญญาอันแหลมคมเมื่อแก้นี้ได้แล้วทับทั้งมือไทยก็หมดหมดสมุือไทยหมดทุกข์มันก็ดับเราจะไปทํานิโรธให้แจ้งด้วยวิธีการใดท่านบอกไว้เพียงเท่านั้นนิโรธพึงทำให้แจ้งเัย คือความดับทุกข์ให้พึ่งทําให้แจ้งด้วยปัญญาความหมายว่าอย่างนั้นทุกข์พึ่งกําหนดดูด้วยการทําลายมรรคทุกข์ฉันจะดับไปอย่างสนิทมันเกิดขึ้นก็รู้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แก้ทุกข์นั้นได้ต้องมาแก้ต้นเหตุคือสมุทยัยมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้เรื่องของมานะคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จักแง่หนักเมาของธรรมทั้งหลายที่จะมา ประยุกต์กันกับกิเลสให้ได้เหตุได้ผลทันกับเหตุการณ์เจนกระทั่งหน้าชาัยชนะไปโดยลำดับนัคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นแต่เป็นผู้ช่ำชองช ม, มิชทำนานและรู้จักแม่หนักเบาระหว่างกิเลสกับธรรมประเภทใดกิเลสประเภทใดที่จะแก้ไขกันด้วยวิธีการใดผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้ทราบได้ดีเพราะได้ผ่าน สิ่ง น, นี้อย่างโรคโัยพาณิชย์ใจของผมให้สงสัยมิธีกาทั้งหมดมีมีอะไรเป็นเครื่องรับรองอยู่เวลานี้ก็คือความรู้นี่เลยก็อยู่ที่ความรู้นั่นแหละสัสธรรจะทอยู่ที่ตรงนี้แหละทุกเกิดขึ้นมาจากใจเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุเนี่ยนิโรธคือความดับทุกข์ดับเพราะอำนาจของมรรค ทำลายกิเลสเครื่องผิดทุกนั้นให้ฉีดหายลงไปไม่มีเหลือแล้วทุกภาระใจของพระผู้สิ้นจิเลสแล้วก็ไม่ส่วนทุกทางธาตุทางขันมีด้วยการพระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีปวดท้องปวดหัวนิ้วก็หายอยากหับอยากนอนดังที่เป็นอยู่เป็นธรรมดาของธาตุของขันมันมีอยู่แต่สําคัญที่จิตในกรับความกระทุกกระเทือนจาก ทุกภายในร่างกายที่เกิดขึ้นมากน้อยจนขนาดถึงตายก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทําลายจิตใจอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิมุติธรรมนั้นได้เลยพระวิมุติเป็นอันหนึ่งสมมุติเป็นหนึ่งอยู่ถ้าหาว่าเป็นโลกทั้งสองเร็อยู่คนละโลกแล้วแต่ธรรมนี่มันเป็นโล ก, กุตระธรรมอันสุดยอดแล้วเนื้อธรรมอันสุดอย่างสุดยอดแล้วทุกเวทนาทั้งหลายเหล่านี้จะ ก็ไปเอื้อมถึงได้อย่างไรมันจะเป็นมากเป็นน้อยเพียงไรก็แสดงอยู่ภายในขันภายในร่างกายคือรูปประขันนี้เท่านาั้นสามารถที่จะเ้าไปทำลายหรือให้จิตใจมีความโยกคลอนนุออ่ยเอียงไปได้ไปด้วยเลยนั่นเยี่ยนจะทรรมจบจบตรงนี้ สติปัฏฐานสี่เขาจบตรงนี้ไม่จะจบที่ไหนพระพุทธเจ้าภาษาวกทั้งหลายท่านสําเร็จตรุที่ตรงนี้รู้แจ้งเห็นจริงที่ตรงนี้ปราบกิเลสให้ราบเรียบที่ตรงนี้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปราบกิเลสเพราะตั้งเดิมเป็นสถานที่ผิดของกิเลสอยู่แล้วภารกิจใจเรามาศึกษาอัตธรรมก็นำธรรมเข้าไป เป็นเครื่องมือปราบกิเลสให้หมดไปจากใจนีใ่ใจก็ว่างนี่คือว่างจากกิเลสว่างไปหมดว่างจากตัวเองทั้งว่างจากกิเลสแล้วก่อนเต็มไปได้วยกิเลสใจหาเวลาว่างไม่ได้ธรรมะกิเลสหมดไปแล้วไม่มีเหลือแล้วใจก็ว่างว่างทั้งจากกิเลสด้วยว่างทั้งจากตัวเองด้วยไม่ยึดไม่ถือ ไม่สำคัญมั่นหมาย น, นว่างที่ตรงนั้นความว่างนั้นแหละคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นกับความว่างนั้นจะกลายเป็นศูนย์ได้อย่างไรฟังสุดถ้ามันศูนย์ถ้ามันศูนย์ไปจะเรียกว่าบริสุทธิ์เหอือจะเรียกว่าว่างเหนอศูนย์ก็เป็นศูนย์ว่างก็เป็นว่างบริสุทธิก์กับความว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ด้วยกัน ความศูนย์เป็นอันหนึ่งต่างหากอย่างโลกอยู่ว่าศูนย์นี่ศูนย์อย่าที่หายผลพี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเช่นไฟไม่บ้านศูนย์ไปหมดซัพย์ถินเงินทองไม่ไม่มีชิ้นเหลือเลยเรียกว่าศูนย์แต่ธาตุาดเดิมของมันมันก็ไม่ศูนย์ศูนย์จากความเป็นสมบัติที่เราเสด็จสารปั้นดอหรือผิดขึ้นมาเป็นสมบัติเป็นถ้วย ชามนามครกรอะไรก็แล้วแต่เป็นบ้านเป็นเรือนเมื่อถูกไฟไหม้ลงไปแล้วมันก็กลายเป็นดินของมัธาตุเดิมของมันก็ไม่สูญสูน ย, นย์แต่ความเป็นบ้านเป็นเรือนความเป็นสมัครเงินทองทำนั้นมันไม่ได้สูนไปอย่างนี้แม้แต่สู์แบบโลกก็ดีก็ไม่ได้สูน์ไปซะจนไม่มีเหลืออะไรเลยให้เป็น เชื่อเดิมคือธาตุเดิมของมันมันก็ลงไปอยู่ธาตุเดิมของมันตรงนั้นไม่มันสูนได้ยังไงมันอยู่แบบนั้นที่จิตธาตุเดิมแท้ก็คือธาตุรู้อะไรศูนไปหมดก็ยังเหลือแต่ธาตุรู้รนร้อนมันศูนย์ไปไหนรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นศูนย์ไปหมดแล้วมีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาเป็นความบริสุทธ อะไรมาเป็นความว่างไม่ได้ปฏิบัติแต่คาดคะเนดาวเอาด้วยอำนาจของกิเลสสุดท้ายก็ไปเชื่อกิเลสลงอย่างจงมมิตรมาตายแล้วสูญเวลามีชีวิตอยู่นี้อยากทำอะไรก็ทำไม่คำหนึ่งถึงบุญถึงบาปดีชั่วประการต่างๆขอให้ได้ทำอย่างสมใจในขณะมีชีวิตอยู่นี้ พ่อเวลาตายแล้วหาไมา้ทั้งหมวลศูนย์โดยประการทั้งปวงไม่มีทิ้นต่อนี่คือเรื่องของ ก, อกิเลสกล่อมจิตให้จมเม็ดลงไปจนไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ทั้งคนอันมีศักดิ์สิยิ่งกว่าสัตว์โดยกายยิ่งไปต่ำกว่าสัตว์ที่เขาไม่รู้เรื่องเวลาอะไรที่อีก น, นั่นนี่แหละเรื่องของเกเลยหลอกสัตว์โลกมันหลอกได้ต่อหน้าต่อตามไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคล มนุเราเนี่ก็บมีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์ตั้งความรู้ความฉลาดทานแล้วก็ไม่พ้นจากกิเลสต้มถุนเอาอย่างแหลกละเอียดไปเลยการที่มีความคิดความรู้สึกเช่นนั้นมันเป็นของดีแ้วเหรอมเป็นการทำลายตนกิเลสมันเคยทำลายมาแต่ไหนแต่ายอยู่แล้วก็ยิงไป เชื่อมันอย่างฝังจมขนาดที่ว่าตายแล้วศูนย์ก็ยิ่งจมไปเลยผูนั้นละ่ะผู้ที่จะได้รับความทุกข์ความทรมานที่สุดเพราะกรรมที่ตนทํำมาแล้วนั้นไม่สูญไปไหนตามหลักธรรมชาติเมื่อจิตไม่สูญวิบากจะสูญไปไหนการกระทําเป็นเครื่องประกาศถึงผลแห่งการกระทําอยู่แล้วไปไหนนั่นแหะผู้นั้นจะรับความทุกข์ความหมักมากมที่เรื่องศาสนาลึกซึ้งขนาดนี้ เพราะใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากศาสนาสอนก็คือความรู้ของใจออกมาเป็นศาสนาจึงต้องสอนเข้าไปที่ใจมีความละเอียดแหลมคมเท่าเท่ากันจึงจะเข้าใจถึงเรื่องของการละกันระหว่างธรรมกับใจก็อยู่ด้วยกันเข้าใจกันได้พิเรศละเอียดขนาดไหนก็เหนือธรรมไปไม่ได้พเพราะพิเรศเป็นสมมุติธรรมเป็นได้ถึงขัง้นวิมุตติธรรมจึงต้องเหนือพิเรศส ม, มิ เหนือไปไเลยเลยๆจิกมาทั้งปราบกันอย่างเรียบราบไม่มีอะไรเหลือความยากความอมาับทั้งมวลที่เราทำมานั้นมันก็หายไปหมดแล้วมันไม่ได้มาก่อกวนทำลายเราอยู่ในขณะที่บริสุทธิ์แล้วนั่นเลยทั้งเป็นเครื่องหนุนให้เราได้หลุดพ้นจากทุกเพราะความทุกพ้นจากทุกเพราะความทุกด้วยการประกอบอคุณเพื่อนนั้นเอง เราไม่ทําอย่างนั้นเราก็ไม่รู้อย่างนี้เราพิจารณาย้อนหลังก็ภโผงใจตอนนั้นความเพลียนเราเปลี่ยงนั้นตอนนั้นความเพลียนเราเปลี่ยนนั้นความทุกข์ความลําบากเพราะการต่อสู้กิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสร้างมาเป็นลําดับบรรดาถึงขั้นที่จะมอบเป็นมอบตายกันเพราะความแต่กล้าสามารถแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพีย่ยนแล้วมันก็หมุนเงนเข้าไปเลยตายก็ไม่เคยเสียดายชาติมันหละ นอกจากให้รู้อย่างเดียวเท่านั้นไม่รู้เอาตายก็าตายนี่ถึงขั้นมันตรงมันตรงถึงขั้นมันสู้มันสู้ถึงขั้นมันเสียสละเป็นสลับตายมันเสียสลับจริงๆเพื่อทํารงนั้นเอาซะจนมันผ่านพ้นไปได้อย่างใจหวังแล้วมันก็ไม่เห็นตายความทุกข์ทั้งมวลในการประกอบความเพียรมาทุกประโยคนั้นมันก็หายหน้าไปหมดอืกลับเหลือแต่ผลเท่านั้นคือความสมบูรณ์ภ า, ายใจิตใจเพราะ ควมเพียรเหล่านั้นเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะฉะนั้นขอให้ยึดเหล่านี้ไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องจะดำเนินตนเองทุกยากลำบากก่อพยายามผิดสติปัญญาของตนให้ทันกับปัญญาของเจดิติอยู่เสมอเสม อ, อย่าไปท้อถอยอ่อนแอซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ามันจะทางของธรรมที่จะพาดำเนินให้ถึงความพ้นทุกข์นอกจากจะพัก ทอกพงทุกข์้นให้มากยิ่งกว่าที่มีอยู่แล้วนี้เท่านั้นนั้นต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมเพื่อนฟัง